เทวดาของแท้ที่กุติหลวงตาผมได้มีโอกาสถ่ายภาพที่กุติหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2551ปรากฏเป็นคล้ายดวงไฟดวงเล็กใหญ่มากมายและเชื่อว่าดวงไฟเหล่านี้น่าจะเป็นองค์เทวดาผมจึงได้อัดขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ขนาดประมาณ 7-8 นิ้วเพื่อให้เห็นรูปทรงเทวดาเห็นรูปประพันธ์สันฐานท่านชัดเจนขึ้นและได้นำขึ้นไปบนกุติหลวงตาเพื่อขออนุญาตท่านทำหนังสือเรื่องเทวดาผมได้เปิดภาพต่างๆให้ท่านได้พิจารณาท่านมองดูภาพขณะที่ผมอธิบายว่านี่ครับท่านพ่อผมถ่ายได้ที่กุติเมื่อวันที่28เมษายนเวลาตอนบ่ายสาโมงขณะที่ท่านพ่อจะเข้าวัดครับ ท่นมองแล้วพูดว่าดูอะไรที่กระดาษเนี่ยเน่ดูข้างบนนี้พร้อมกับชี้ขึ้นไปบนเพดานเหนือที่นั่งท่านผมมองขึ้นไปตามที่ท่านชี้เห็นแต่แผ่นฟ้าสีขาวกริ้งเลี้ยงตัดกับไม้ไม่สามารถเห็นได้อย่างที่ท่านบอกให้ดูผมได้แต่คิดว่าเราจะเห็นได้อย่างไรเราเป็นคนหยาบเลอะเกินผมก็ยังคงเปิดสมุดภาพให้ท่านดูต่อไปอีกจนถึงภาพสุดท้าย ที่เป็นภาพที่เคลือบด้วยพลาสติกปรากฏเทวดาชัดเจนมากขึ้นมองเห็นเป็นวงก้นหอยหลวงตาท่านคงรำคาญผมมากขึ้นมองผมขำๆพร้อมกับบอกอีกว่าดูอะไรที่พลาสติกเนี่ยของจริงอยู่ข้างบนนี้ผมก็แหยหน้าขึ้นดูอีกข้างบนยังเห็นเป็นฝ้าเพดานสีขาวเหมือนเดิมจึงได้แต่ก้มกราบแทบเท้าท่านลูกอยากเห็นเหมือนท่านพ่อเลอะเกินแต่บุญไม่มีผมไม่กล้าพูดบอกท่าน ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้กับตัวสักวันหนึ่งคงจะได้เห็นตามที่หลวงตาท่านชี้ให้ดู